เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อผลอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไป ธรรมวันนี้ที่เราจะมาฟังกันก็คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอะไรเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านาถิสันติบาังสุ ข, ขงังสุข ที่เหนือสุขอื่นๆที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะนีดีเท่าหรือเหนือกว่าความสุขที่ได้จากความสงบรั ง, งับของจิตใจระ ง, งับด้วยรั ง, งับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆเป็นความสุขที่ มีน้ำหนักมากกว่าความสุขทางโลกกะระทำก็คือความสุขจากลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกิริย์รสโหดทาพะชนิดต่างๆความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวและระดับถาวรระดับชั่วคราวก็คือ ระดับของสมาธิของฌานขั้นต่างๆขั้นรูปฌปานขั้นอรูปฌานเป็นความสงบสุขชั่วคราวในขณะที่จิตเข้าสู่รูปฌปานหรืาออรูปฌานแต่เป็นคัสงบชั่วคราวสงบชั่วในขณะที่อยู่ในฌานแต่พอออกจากฌานมาแล้วความ สงบก็ค่อยๆจางหายไปความสุขที่ได้รับก็จะค่อยๆจางหายไปความสุขระดับที่สองคือความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดอันนี้เป็นความสุขของพระนิพพานนั่นเองนัตถิอาน นิพพานังปัจังสุขขงังนิพพานานิพพานิพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ยั่ยืนถาวรไม่เสื่อมไม่ว่าจะเข้าฌานหรืไม่เข้าฌานก็ตามความสงบสุขของพระุนิพานนี้จะสงบจะสุขไปตลอดเวลาตลอดอนานนนตัดไไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆที่เป็นความสุขที่ชั่วคราวล้วมีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะเมื่อสูญความสูญความสุข ที่ได้จากราบยศสารเสริญสุขไปเมื่อไรความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอยู่เรื่อยๆส่นความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่มีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ความเสื่อมของสมาธิจางไปหายไปเพราะว่าไม่ได้เป็น สิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขเพียงแต่การเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนิ่งความสุขก็จะเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากที่ออกจากความสงบมาก็สามารถที่จะกลับเข้าไปได้อยู่เรื่อยๆความทุกข์จึงไม่ค่อยมี ไม่เหมือนกับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นโโพล่ตะาชนิดต่างๆไปเพราะว่าเมื่อสูญเสียแล้วก็มักจะหาใหม่หาใหม่กลับมาได้ยากช่วงที่ไม่มีอะไรให้เสพให้สุขก็จะเป็นช่วงช่วงที่ทุกข์ที่ทรมานใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายไม่สมประกอบเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายจะตายนี้ความทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่สามารถหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทวพาชนิดต่างๆได้ เนื่องจากร่างกายไม่มีความสามารถที่จะทำได้นั่นเองแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้สามารถที่จะทำได้ทุกเวลานาทีทุกสภาพของร่างกายไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ตาม ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ตามร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ตามใจนี้ก็ยังสามารถทําให้สงบได้ถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมมาอย่างสม่ําเสมอจนเป็นที่ชํานาญถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆความสามารถที่จะทําใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ ก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่แหละเป็นความสุขที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบความสงบของสมาธิความสงบของพระนิพพานเป็นลถแห่งธรรมเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ของโลกกรรมได้แก่ลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผุทธพระชนิดต่างๆนักปราร์ทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกจึงไม่สแสวงหาความสุขจากโลกกระทำทรงละการแสวงหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อที่จะได้ ไปแสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการละการคองเรือนเพื่อเข้าสู่เพศของสัมมณะของผู้สงบหรือของผู้ของนักบวช ด, ด้วยการถือศีลในคขมะก็คือการถือศีลแปดขึ้นไปตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป ศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยสิบเจ็ดแล้วแต่ฐานะของการบวชว่าจะบวชแบบไหนเร้่งต้นก็มักจะบวชในฐานะของอุบาสกอุบาสิกาผู้คองเรือนเพราะว่าการที่จะสละการเป็นผู้คองเรือนสู่การเป็นนักบวชนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้แบบทันทีทันใดเพราะถ้ากินรียังไม่พร้อมบารมียังไม่พร้อมจะไม่มีกำลังที่จะยกระดับจิตใจจากการเป็นผู้ครองเรือน <c oughs> ไปสู่การเป็นนักบวชเป็นสัมมณะเพศได้เพราะว่าจำเป็นที่จะต้อง มีพลังจิตที่จะกล้าสละความสุขของโลกธรรมไปสละความสุขของราบยศสารเสริงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆไปจึงจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนอบรมในเบื้องต้นก่อนเป็นการทำจากน้อยไปหามากก่อนเช่น ถือศีนแปดเป็นอุบาสกอุบาสิกาในวันพระหรือในวันหยุดทำงานคำว่าวันพระนี้สมัยก่อนจะตรงกับวันหยุดทำงานเพราะว่าจะได้มีเวลาว่างมาให้กับการังเทศตังธรรมให้เวลากับการได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเพราะการที่จะได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมนี้ โดยเฉพาะการทำใจให้สงบนี่จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยคือการปฏิบัติสตินี่ต้องเจริญสติให้คอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปรอยมากับความคิดกับอารมณ์ต่างๆที่จะทำให้ใจวุ่นวายที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่าน ที่ทำให้ใจเศร้าโศกเสียใจถ้ามีสติคอยกํากับคอยควบคุมใจตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาใจก็จะไม่สามารถที่จะลอยไปตามความคิดปรุงแต่งต่างๆได้อารมณ์ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาได้ก็จะทำให้ใ จ, ใจว่างใจเย็นใจสบายแม้จะยังไม่สงบในระดับของสมาธิก็ตาม แต่ก็เป็นการเต ร, เตรียมใจให้เข้าสู่สมาธิต่อไปนั่นเองเพราะถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมสติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเ น, นื่น mm hmm. องเวลาที่จะมาฝึกนั่งสมาธินั้นใจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองจะให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็จะไม่สามารถ <c oughs> อยู่ได้ให้บริกรรมพุทโธพุทโธ ถ้าบริกรรมได้เพียงสองสามคำแล้วก็หายไปลอยไปกับความคิดต่างๆให้ดูลมหายใจก็เช่นเดียวกันอยู่ได้สองสามครั้งแล้วใจก็ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาสัมผัสจึงจําเป็นที่จะต้องมีการจลังสติคอยดึงใจคอยผูกใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวที่จะเป็นหลักยึดใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับ ความหลงความคิดปุงแต่งต่างๆคคอต้องมีสติอยู่กับกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่จะผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมาจำเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพราะถ้ายังต้องทำงานทำการอยู่ใจก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่างๆก็จะไม่มี ไม่สามารถดึงใจให้อยู่กับผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้การปฏิบัติธรรมมักจะไม่ค่อยเกิดผลในช่วงวันเวลาที่ต้องไปทำงานทำการกันจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อได้หยุดการทำงานได้มีเวลาว่างได้ไปอยู่ที่วัดที่มีสถานที่ที่สับปปาย โดอสถานที่ที่เอื้อต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาการเจริญสติการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองยังควรที่จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือต้องมาฝึกเป็นอุบาสกอุบาสิกากันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งครั้ง สมัยโบราณท่านก็จะไปอยู่วัดเป็นอุบาสกอุบาสิกาในวันพระในวันธรรมมสสวานณะเพราะตรงกับวันหยุดทำงานทางโลกนั่นเองแต่เนื่องจากสมัยนี้เวลาได้เปลี่ยนไปการทำงานก็เปลี่ยนรูปแบบไปเปลี่ยนเวลาไปการหยุดทำงานก็เปลี่ยนไปไม่ได้ตรงกับวันพระเหมือนเมื่อก่อน กลับมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้ายัางยึดติดแนวของวันพระอยู่พอถึงวันพระก็จะไม่สามารถที่จะมาทำชั่วละของพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าจําเป็นที่จะต้องไปทํางานเช่นวันพระที่จะถึงนี้ก็จะไปตรงกับวันอังคารวันอังคารก็เป็นวันทํางานของศรัทธาญาติโยมเป็นส่วนใหญ่ ก็ไม่สามารถที่จะลางานมาเพื่อที่จะมาศึกษามาปฏิบัติทำได้ก็จะทำให้ขาดวันพระไปขาดวันศึกษาวันปฏิบัติไปแล้วพอถึงวันหยุดทำงานก็ไปคิดว่าไม่ใช่เป็นวันพระก็ยังเข้าวัดไม่ได้ยังปฏิบัติไม่ได้ก็เลยทำให้วันเวลาที่จะให้มีกับการปฏิบัติ กับการที่จะมาฝึกฝนอบรมเป็นนักบวชชั่วคราวคือเป็นอุบาสกอุบาสิกานี้ก็จะมีได้ไม่มากเพราะนานๆทักเดือนสองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนจะมาตรงกับวันหยุดทำงานคือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่คือวันพระดังนั้นพุทธศาสนิกชนที่ฉลาด ก็ต้องรู้จักการปรับเวลาให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของชีวิตเดีย๋ยวนี้เราต้องมาถือวันพระให้มันเป็นวันวันที่เราหยุดทำงานกันเช่นวันนี้วันเสาร์เราไม่ต้องไปทำงานทาการถ้าเราอยากที่จะพบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็ต้องมีเวลาให้กับการมาบำเพ็ญ เราต้องสละการหาความสุขทางโลกกระมไปหนึ่งวันแต่หาความสุขจากราบยศสะลรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผธภพชนิดต่างๆด้วยการมาถือศีลแปดใ น, น, นถือศีล8ปตลาดระยะเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคื น, นวันทางพระพุทธศาสนานี้ก็จะเริ่มต้นที่ตอนเช้าตอนที่พาทิดขึ้น ตรงนี้ก็ประมาณหโมงเช้าและก็จะไปสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเป็นระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงเป็นเวลาที่สาธุชนพุทธบริษัทที่มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่มีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่อยากจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงด้วยความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญ จ, จิตใจให้สงบงระงับป่าชะจากความโลภความโกรธความหลงจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ถ้าคิดว่านั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงครั้งสองครั้งนี้ มันจะไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความสงบเลยเพราะว่าหนึ่งถ้านั่งโดยที่ไม่ได้มีเวลาฝึกสติมาไว้เรื่องหน้าก่อนนั่งเวลานั่งก็ต้องมาต่อสู้กับความฟุ้งซ่านต่างๆว่าสงบม า, มมาพยายามคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดว่ากว่าจะได้อะไรบ้างก็หมดเวลาหรือหมดกำลังที่จะนั่งต่อไป นั่งไปลาก็มักจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับผลอันเลิศอันประเสริฐที่เกิดจากการนั่งสมาธิกัน<ม>ก็จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าได้ปฏิบัติอย่างนี้มากี่ปีก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันที่จะคืบหน้าได้เลยการที่จะทําให้การปฏิบัติคืบหน้านี้จําเป็นต้องปฏิบัติแบบอุบาสกอุบาสิกา คือจำเป็นที่จะต้องมีวันหนึ่งให้กับการศึกษากับการปฏิบัติทำอย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตืต่นขึ้นมาหกโมงเช้าจนถึงวันลุ่งขึ้นถึงจะหยุดการปฏิบัติถ้ามีการปฏิบัติอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง ความคิดปรุงแต่งต่ตางๆที่เคยคิดอยู่เรื่อยๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามกําลั ง, งของสติที่พยายามที่จะดึงจิต ด, ดึงใจให้อยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ไปลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่ตางๆแล้วพอมานั่งทําใจให้สงบก็จะสงบได้ง่าย ได้เร็วและเมื่อสงบแล้วก็จะตั้งอยู่ได้นานถ้าลองได้ปฏิบัติแล้วได้รับผลแม้แต่เพียงครั้งแรกอาจจะเป็นผลแค่ชั่วูแวบลินหรือชั่วฟ้าแวบคือจิตส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัตินี้เวลาที่จะสงบในครั้งแรกๆนี้ม่กจะสงบได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเอง หขณะที่เรียกว่าฟาแลบหรือว่ารูแลบลินแต่ความสงบที่ของที่เกิดความสุขที่เกิดจากความสงบแม้แต่เป็นเพียงชั่วแค่ชั่วหนึ่งขณะนี้ก็ตามมันจะเป็นความสุขมันจะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นพยานเป็นเป็นสักขีพยานให้ได้ สัมผัสกับความสรงามที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงมันจะประทับใจมันจะทำให้เกิดปิติบาสีขึ้นมามเกิดฉันทะพิริยาจิตะมิ ม, มังสาก็คือฉันทะก็เกิดความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมะให้มากขึ้น วิริยะก็จะมีความเพียรความพยายามความขยันที่จะปฏิบัติจเจริญสตินั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆกิตตะก็คือใจก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องการจเจริญสตินั่งสมาธิอย่าไม่ไปสนใจกับเรื่องของการไปแสวงหาลาบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดตา่างๆ แล้วใจวิมังสาก็จะพิจารณาค่ายวรอยู่ว่าอันไหนเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจสงบอันไหนเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจวุ่นวายสิ่งที่จะทําให้ใจวุ่นวายก็จะตัดไปถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยหรือบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนําความไม่สงบมาให้กับใจก็ต้องตัดไปอย่าเข้าใกล้ เข้าหาสิ่งที่จะทําให้ใจสงบเรียกว่าวีมังสาคือปัญญา น, นี่อิทธิบาตสี่ถ้าเรามีเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติแล้วอิทธิบาตสี่นี้ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะผักดันให้การปฏิบัตินี้เข้มข้นมากขึ้นไปตามลําดับอาจจจากการปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิกาอาทิตย์ละหนึ่งวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวัน ก็มีมีวันหยุดสองวันวันเสาร์วันอาทิตย์แทนที่จะไปสว่างหาราบยศรเสิริญสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นก็มาหาความสุขจากการบาเพ็ญจิตภาวนาจากการปฏิบัติเนคัมะมคือเป็นนักบวช <c oughs> ถึงแม้ว่าจะยังบวชชั่วขราวอยู่แต่ก็ดีกว่าที่จะ ไปเสียเวลากับการไปหาความทุกข์ของราบยศสารเสริจความจริงมันคนเราคิดว่าเราหาความสุขจากราบยศสารเสด็จจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ไม่ค่อยคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้มันมาากกาน่กจะกลารมีความทุกข์เสียส่วนใหญ่เพราะมันเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวนั่นเองเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เสมาธิ ขอให้เราได้ม <würden ancia> ีเวลาได้ปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนแล้วรับประกันได้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะได้สัมผัสกับขณิกะสมาธิความสงบแบบชั่วข้าวชั่วงูแลบลินอาจจะเป็นสักขีพยานว่าธรรมะของพระเจ้านี้ไม่เป็นหมันเป็นสวากขาโตพระกตาธรรมโล เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วาตามความเป็นจริงทุกประการถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแม้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐระโลกก็ไม่สามารถที่จะ ที่จะให้ความสุขความสงบของใจของผู้ปฏิบัติได้ผู้ปฏิบัติจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือการปฏิบัติการเข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบของจิตต้องมีวันเวลาให้กับการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญตัติวันทะขึ้นมาวันธรรมสวรรค เพื่อศรัทธาญาติโยมได้ระหยุดภารกิจการทํางานทางโลกไว้ชั่วคราวหยุดการหาความสุขทางโลกไว้ชั่วคราวเพื่อมหาความสุขทางธรรมมหาลดแห่งธรรมที่เหนือกว่าลดทั้งฝวงนี่คือลดของความสงบนัตติสันติพลังสุขขงังด้วยการเริ่มต้นด้วยการถือศีลน่คัมมะ สินในคำนั้น ก, ก็คือศินแปคือการออกจากการหาความสุขทาง ก, า ร, การมกรมคุณห้าในคำนั้นแปลว่าการระ ง, งับการหยุดหาความสุขจากจากการมคุณห้าจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าต่างๆด้วยการถือศินแปปกติก็จะถือศินห้าในวันธรรมดาวันที่ต้องไปทํางานสินห้านี้มีไว้เพื่อ ปิดประตูอาบายไม่ให้จิตลงไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายของอาบายหรือไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอ ส, สุ ร, รากายไปตกนรกถ้ามีการรักษาศีลห้าไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ <c oughs> แล้วก็ทำบุญทำทานเป็นปกติเพื่อส่งจิตให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ <c oughs> นี่เป็นธรรมในระดับการวันทำงาน สามารถคู่ปฏิบัติชาวพุทธเราสามารถทำได้เช้าก็ทำบุญตักบาทรซะก่อนแล้วค่อยๆออกไปทำงานทำการในขณะที่ทำงานทำการก็รักษาศีลหา้าควบคู่ไปได้อย่างนั้นก็เป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของของการเป็นชาวพุทธของชาวพุทธคือเป็นพุทธมามา ก, กมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ถือศีลห้าเป็นนิจศีลถือศีลห้าให้เป็นนิสัยแล้วก็ให้ทำบุญทาทานให้เป็นนิสัยทำมากทาน้อยก็ได้แต่ขอให้ได้ทำทุกวันมันจะได้ติดเป็นนิสัยไปจะได้อย่าง น, อน้อยถ้าเกิดตายไปก่อนเกิดมีอุบัติเหตุ ที่ทำให้อย่างไม่สามารถเข้าถึงธรรมที่ระดับสูงกว่านี้ได้อย่างน้อยก็ไม่ไปเกิดในอบายแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆตามกำลังของบุญของทานที่ได้ทำเอาไว้ว่าทำมากทำน้อยก็จะสามารถเข้าสู่ระดับสวรรค์สูงต่างได้ตามกำลังถ้าทาอย่างนี้ไปติดเป็นนิสัยจิตก็จะ เวียนไหวาตายเกิดอยู่ในสุขติไปเรื่อยๆก่อนถ้าทําบุญทําทานรักษาศี่ห้าได้เวลาตายไปจิตก็จะไปสวรรค์แล้วหลังจากที่บุญที่ส่งไปหมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยเป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์ในปัจจัยสี่เนื่องจากบารมีของบุญของทานที่ได้ทําไว้ในชาติก่อน ก็จะส่งมาให้เกิดอยู่มีมีฐานะการเงินการทองที่พอเพียงจะมากจะน้อยก็อยู่กับทานบารเมีที่ได้สร้างไว้ในอดีตถ้าสร้างทานบาลมีไว้มากก็จะมีความมั่งคัง่งมีความน้ํารวยมากขึ้นชีวิตจะไม่จะไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะทานบารเมีนี้จะคุ้มครองให้มาเกิดอยู่ดีกินดี แล้วก็จะมีนิสัยที่จะมาทำบุญทำทานต่อไปเพราะการทำบุญเมื่อทำเป็นนิจฉินทำเป็นนิสัยแล้วมันก็จะติดไปกับจิตกับใจทุกภพกทุกชาติไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนเป็นประเทศไหนก็ตามกายก็มักจะชอบทำบุญทำทานทำต่อไปแล้วก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะรักษาศีลห้าไป ไม่ว่าจะมีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนหรือไม่แต่บา ร, รมีของทานของศีลที่ได้ทำไวน้นี่มันจะเป็นผู้ที่คอยผลักดันให้จิตใจนี้ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไปเรื่อยๆ<ม>ก็จะทำให้จิตใจจะไม่ตกต่ำไปป่าระดับของมนุษย์ จะไม่ก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเปน็นนสุลกายไม่ต้องตกนรกก็จะเวียนว่ายในสุขติไปเรื่อยๆอจนกว่าจะสามารถยกระดับจิตใจจะด้วยการปฏิบัติทำให้สูงขึ้นการจะยกระดับปฏิบัติให้สูงขึ้นก็จะมากจะต้องมาเจอกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนว่า นอกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติแล้ว <c oughs> ยังมีความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าที่เลิศกว่าเือ <c oughs> ความสุขจากการที่ทำจิตใจให้สงบ <c oughs> ซึ่งก็มีอยู่สองระดับสงบแบบชั่วคราวก็คือด้วยการทำใจให้เข้าสมาธิให้เข้าฌานนระรับ์ต่างๆ <c oughs> แล้วก็ เหนือกว่านั้นก็มีความสุขอย่างความสงบอย่างถาวรที่เกิดจากการเจริญปัญญาเห็นเหตุที่ทําให้จิตใจทุกข์เฉดใจวุ่นวายจิตใจไม่มีความสุขพอใช้ปัญญากาจัดเหตุที่ทําให้ใจไม่มีความสุขที่ทําให้ใจวุ่นวายได้ใจก็จะสงบนิ่งอย่างถาวรก็จะเข้าไปสู่พานิพาน ไที่ที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปความรู้ระดับมรรคผลนิพานนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้บอกทางมาผู้สั่งผู้สอนเพราะไม่มีใครจะรู้เรื่องของมรรคผลนิพานความสุขในระดับที่ยั่งยืนถาวรได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วก็นำธรรมที่ได้ทองตัดสรุปมาเผยแผ่ให้กัสสัตว์โลกสิ่งที่สัตว์โลกจะสามารถทําได้ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็คือการเข้าสู่ความสุขของระดับฌานต่างๆของสมาธิขั้นต่างๆเท่านั้นการที่จะเข้าสู่ความสุขของระดับของพระนิพพานนี้จําเป็นที่จะต้องมี พระพุทธจเจ้ามาเป็นผู้พบทางและนำเอาทางที่ไปสู่พระนิพพานนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปสัตว์โลกที่ต้องการที่จะพบกับความสุขที่เกิดจากสงบจากความสงบแบบถาวรจึงจำเป็นที่จะต้องมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้บอกทางเท่านั้นถ้าไม่ถ้าไม่ด้า ม, ามาเกิด ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุธทธพจ้าธรรมพระสงฆ์มาเผยแผ่ธรรมะก็จะไม่มีวันที่จะสามารถเข้าถึงความสุขของความสงบแบบถาวรได้เพราะไม่รู้จักวิธีเข้าว่าจะต้องเข้าได้อย่างไรจะรู้ได้ก็เพียงแต่วิธีทาใจให้สงบแบบชั่วคราวคือเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดทะลุความรู้ในระดับปัญญาที่จะทำให้จิตใจได้สามารถเข้าสู่ความสงบแบบยั่งยืนถาวรได้งั้นถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาสิ่งลาสิ่งที่เราจะทำกันก็นขึ้นอยู่กับ บุญบารมีเก่าของเราว่าเราเคยทำบุญบารมีอย่างไหนมาก่อนถ้าเราเคยบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเราก็จะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลเราจะไม่เบียดเบียนใครเพราะเราได้ฝึกฝนจิตใจจนมันเป็นนิสัยมันติดมาข้ามพบข้ามชาติบารมีต่างๆนี้มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจไม่เหมือนกับ ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆาลาภยศสรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้มันอยู่กับร่างกายมันมากับร่างกายแล้วมันก็หมดไปกับการสิ้นสุดของร่างกายแต่บารมีที่ส่งให้มาเกิดมาทําความดีต่างๆนี้มันอยู่ที่ใจใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ได้มาได้ร่างกายอันใหม่เวลามารับ เวลาที่หลังจากที่ไปรับผลบุญกลับมาแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ของมนุษย์แต่นิสัยของใจที่มีบารมีผักดันก็จะเป็นนิสัยเดิมเคยชอบทำบุญทาทานก็จะมาทําบุญทําทานต่อไปถ้าชอบรักษาศีลห้าก็จะบำเทศก็จะมารักษาศีลห้าต่อไปแต่าบางท่านก็อาจจะ อยากจะได้ความสุขจากความสงบก็ไปปฏิบัติในวันหยุดไปปฏิบัติตามสถานที่ปฏิบัติต่างๆไปถึงสิงเนคขมะไปเจริญเนคขมะบา ร, รมีแล้วก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาเรียกว่าอุเบกขาบาลมีถ้าชาติต่อๆเคยบำเพ็ญอย่างนี้มาก่อนชาตินี้เมื่อมาเกิดแล้วก็มักจะไปบำเพ็ญอย่างนี้ต่อไป แทนที่จะอยู่เป็นเป็นคารวาสผู้ครองเรือนผู้ที่ได้บําเพ็ญเนคขมะบาลามีอุเบกขาบา ร, รมีมานี่ยมักยมไปเป็นนักบวชกันกลับมาแล้วก็พอพอเกิดเป็นมนุษย์พอจะเริ่เติบโตขึ้นมาก็มีมีความปรารถนาที่อยากจะไปเป็นนักบวชเพราะไม่ไม่มีความสนใจกับความสุข จากโลกธรรมจากรูปเสียงลสลิ่นรสโผฏฐพัทชนิดต่างๆพอได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือต่อความสุขที่เกิดที่เกิดจากโลกธรรม ท, ทั้งสี่เป็นความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบพวกนี้ก็จะมีนิสัยที่จะชอบอยู่แบบนักบวชอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ค่อยสนใจเรื่องของ ความสวยงามความปรุงแต่งต่างๆเครื่องปรุงแต่งต่างๆของทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขจากลูปเสียงกลิ่นรส佛陀จะให้ความสนใจต่อการไปหาความสงบไปปริกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงบถ้ามีวัดมีศาสนาที่ที่สอนให้ไปฝึกจิตจิตตะภาวนาก็มักจะไปบวชอยู่กับศาสนานั้นไป อันนี้เป็นเรื่องของบารมีเก่าที่ทำมาคนเรามาเกิดในโลกนี้จึงมักจะมีการประพฤติที่ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบทามุญทาทานบางคนก็ชอบรักษาศีลห้าบางคนก็ชอบปฏิบัติในคขมะชอบไปอยู่การสถานที่สงบสงัดมิเมฆไปปฏิบัติทําใจให้สงบบางทีก็ไปอยู่แบบเชื่อเพลา บางทีก็ไปอยู่แบบถาวรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จิตใจของพวกเราทุกคนได้ประสบมาได้ผ่านมากันเราจึงมีความรักความชอบในการปฏิบัติธรรมในระดับต่างๆกันไปถ้าเรายังอยู่ในขั้นขั้นต่ำอยู่เราก็สามารถที่จะยกระดับในขั้นสูงได้ถ้าเราได้มาพบกับศาสนาหรือคำสอนที่สอนให้เรา หาความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาการทำจิตใจให้สงบซึ่งก็มีอยู่ก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงออกบวชพระองค์ก็ทรงไปศึกษาวิธีการทำใจให้สงบจากครูบาอาจารย์นักบวชต่างๆเพียงแต่ว่าในยุคนั้นไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนีจะสอนให้ใจ สร้างความสงบแบบถาวรได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าวิธีที่จะทำให้ใจสงบอย่างถาวรนี้ทำได้อย่างไรเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะสอนพระองค์ได้พระองค์ซึ่งมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ใช่จะหลุดพ้นแบบชั่วคราวคือในขณะที่เข้าสู่ความสงบของสมาธิตานั้นอยากจะให้หลุดพ้นทั้งขณะที่ อยู่ในสมาธิหรือหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพระองค์ก็เลยต้องทรงศึกษาค้นควายคนา้คนคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ใจไม่ไมสงบเวลาที่ออกจากสมาธิมาก็คือความอยากของใจนี้เองความอยากต่างๆของใจที่จะมาสร้างความ ทุกสร้างความวุ่นวายใจสร้างความวิตกกังวลสร้างความหวาดกลัวต่างๆให้กับใจก็คือความอยากการอยากที่จะเสพการการที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เรียกว่าการมั่นหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากอยู่ไปนานๆเพราะว่าถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถเสพการได้เมื่อมีร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายอยู่ไปนา น, าน ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วถ้าเกิดเวลาร่างกายเกิดแก่ส่วนเจ็บเกิดจะตายขึ้นมาก็เกิดความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาสาเหตุเวลาที่ใจทุกข์เวลาคิดถึงร่างกายว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาสาเหตุที่ทำให้ใจทุกข์นั่นก็คือความอยากไม่แก่นี่เอเพราะ ต้องใช้ร่างกายต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆของใจถ้าใจไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องมือบกพร่องเช่นร่างกายบกพร่องง้างร่างกายชลาภาพไม่สามารถทําตามความต้องการของใจได้จะให้ไปกระโดดโน ด, ดเต้นไปวิ่งไปทําอะไรแบบคนหนุ่มคนสาวก็จะทําไม่ได้ยิ่งเวลาถ้าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเป็นหนุ่มสาวหรือว่าเป็นคนแก่เวลานั้นก็จะไม่สามารถที่จะไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูกเสียงกลิ่นรสผลธพะชนิด ต, ต่างๆจากลาบยศสารเสริญสุขได้เวลานั้นใจก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาก็สังเกตดอว่าเวลาที่ใจเข้าสู่ความสงบเข้าของสมาธิเวลานั้นความอยากต่างๆ ไม่ได้ทำงานไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะตอนนั้นจิตนิ่งสงบความอยากนี้ไม่สามารถทำงานได้เวลาที่จิตนิ่งสงบเพราะความอยากต้องอาศัยการเคลื่อนไหวความคิดปรุงแต่งของใจเป็นเครื่องมือมพออยู่ในสมาธิใจนิ่งสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็หายไปใจถึงสงบเย็นมีความสุข แต่พอออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มคิดปรุงแต่เริ่มไปสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายใจก็เลยพอเห็นร่างกายว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเพียพงแต่คิดเท่า น, นั้นมันก็ทำให้ใจไม่สบายแล้วยังไม่ได้ทันจะต้องไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเพียงแต่คิดถึงมันเท่านั้นเองใจก็เริ่มทุกข์ขึ้นมาทันทีพะเจ้า ก, ก็ทรงเห็นว่าที่ทุกข์ก็เพราะว่า ใจยังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะใจมีการมาตัญหาอยู่ในใจคือความอยากจะหาความสุขจากกรรมมาคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดสะาชนิดต่างๆใจเลยต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงที่จะอยู่ไปตลอดไม่มีวันแกวันเจ็บวันตายซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปตามเวลาของมันน่างกายก็มีอายุไขอยู่กันไม่เกินร้อยปีก็ต้องสิ้นสุดลงดังั้นความทุกข์นี้ถ้ามาผูกไว้ถ้าถ้าผูกความสุขไว้กับร่างกายพอร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ <c oughs> ความสุขก็จะหาความสุขที่จะได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไม่เกิดขึ้นความอยากที่อยากจะทำที่ที่อยากจะมีความสุขมันก็จะสร้างความเครียดสร้างความหุดหงิดสร้างความําคาญให้กับใจครูเจ้าหลังหลังจากที่ได้ทรงวินิจฉัยพิจาราก็ได้ข้อสรุปว่าความสุขตอนที่อยู่ในความสงบนี้มันไม่มีความอยากนั่นเองอ ออกมาจากสมาธิความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมาเพราะความสุขความเย็นสบายของใจก็จะหายไปทันทีผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้เวลาอยู่ในสมาธิแต่เวลาออกมาจากสมาธินี้จะมีความแตกต่างกันเวลาอยู่ในสมาธินี้จิตใจนิ่งเหมือนน้ําที่นิ่งสงบแต่พอออกจากสมาธิมานี่เหมือนน้าที่มีการกระเพื่อมมีสิ่งต่างๆที่มาทําให้น้ํากระเพื่อเช่น มีการโยนก้อนหินลงไปในน้ํามีการกระโดดน้ําลงไปในน้ําว่ายน้ําอะไรกันต่างๆน้ํามันก็จะกระเพื่อมน้นํามันก็จะไม่นิ่งพอออกมาจากสมาธิพักพอคิดไปตามความอยากเพราะฉะนั้นใจก็จะร้อนขึ้นมาใจากระเพื่อม ข, ขึ้นมาทันทีนเพระอาจารยเราส่งเห็นว่าอ๋อตัวนี้เองที่ทําให้ความสงบที่เกิดจากการเข้าสมาธินี้มันไม่สงบอย่างถาวรก็เพราะว่า สมาธินี้ยังไม่ยังไม่ได้ทำลายตัวตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจเพียงแต่ไประ ง, งับมันไว้ชั่วคราวแต่ที่ท่านพูดว่าเป็นหินทับหญ้าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าหินเวลาเราไปทับบนหญ้านี่หญ้ามันก็จะ ง, งอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราเอาหินออกจากหญ้าไปทิ้งไว้สักระยะหนึ่งได้น้ำได้แดดหญ้าก็จะ ง, งอกขึ้นมาใหม่ เพราะรากของญ้ามันไม่ได้ถูกกําจัดด้วยการเอาหินไปทับไว้ฉันได้การเข้าสมาธิเพื่อลังับความอยากต่างๆมันก็เหมือนกับเอาเอาหินไปทับญ้าไว้เอาสมาธนี้ไปทับกิเลสความอยากต่างๆความอยากมันก็เลยทํางานไม่ได้แต่พอเอา พอจิตออกจากสมาธิก็เหมือนกับเอาหินที่ทับญ่านี้ออกจากญ่าไปพอออกมาจากสมาธิความคิดตุงแต่งก็คิดแล้วก็จะคิดไปในทางความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาทันทีพอคิดพอคิดถึงความโลภความอยากก็ใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีไม่สงบขึ้นมาทันทีผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นจิตได้ก็เห็นตอนที่หลังจากที่ได้เข้าสมาธิแล้ว เพาก่อนที่ถ้ายังไม่ได้เข้าสมาธินี้จิตจะไม่ได้มองเข้าไปในจิตจิตจะมองไปข้างนอกแล้วถูกอำนาจของการมาตัญหานี้ส่งจิตให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลภภภึกะะอยู่เรื่อยๆเวลาจิตกระเพื่อมเวลาจิตไม่สงบจากความอยากจิตก็จะไม่เห็นว่าตัวที่กําลังกระเพื่อมตัวที่กําลังเป็นทุกข์นี้อยู่ในจิตไม่ได้อยู่ที่ภายนอกมักจะไปโทษสิ่งภายนอกว่ามาทําให้ใจทุกข์ เวลาอยากได้อะไรแล้วพอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจขึ้นมาก็ไปโทษว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถหาสิ่งที่อยากได้มามันทำให้เป็นทุกข์แต่ความจริงความทุกข์มันเกิดจากความอยากพออยากว่าไม่ได้ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทัทนทะีอันนี้ก็คือการค้นพบอริยสัจสีสัจจะทำความเป็นจริงว่าทาไมจิตจึงไม่สงบ หลังจากที่ออกจากสมาธิมาเพราะสิ่งที่มาทำให้จิตไม่สงบก็คือตัณหาความอยากนี่แล้วถ้าอยากจะทาให้จิตกลับไปสงบเหมือนในขณะเข้าสมาธิก็ต้องกำจัดความอยากนี้ให้ได้แต่จะกำจัดด้วยความรู้เฉยๆว่า อ, อ๋อความอยากนี่เป็นเหตุเราก็หยุดความอยากเสียไม่ทำตามความอยากแต่ถ้าเราไม่มีไม่มีปัญญาเป็นเครื่องมือนี่เราจะไม่สามารถออหยุดมันได้ คือหนึ่งแล้วถ้าไม่มีปัญญาเราก็จะไม่เห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบทําให้ใจเราทุกข์วุ่นวายอยู่เรื่อยๆและการที่จะทําให้ใจเราหายอยากหยุดความอยากได้เราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะมันเป็นของไม่เที่ยวเป็นของชั่วคราวมัวนอาจจะให้ความสุขกับเราตอนที่เราได้มาใหม่ๆแต่พอได้มาแล้วเราก็จะมาทุกข์กับมันทันที กขกับความรักความหวงได้อะไรมาแล้วเรามาักจะรักจะหวงจะห่วงอยากจะให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรที่จะไม่เสือ่อมไม่มีอะไรที่จะไม่หมดเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนและอนัตตา คือความไม่มีสภาพเป็นที่จะเป็นที่เป็นของใครได้ไม่สามารถที่จะไปถือว่าเป็นสมบัติของเราได้ไปตลอดอาจจะเป็นได้ของเราแบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่วันใดวันหนึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของเราได้<ม>เวลานั้นใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเรามีความอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเรา ดังนั้นก็สดุปว่าถ้าอยากจะรากความอยากก็ต้องเห็นไตรลักนั่นเองเห็นอ น, นิจจังทุกขังในสิ่งที่เราอยากได้เห็นอ น, นิจจังทุกขังในลาบยศจัลเสริญในรูปเสียง ก, กลภภิ่นรสผดภพเมื่อก่อนนี้ไม่มีปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นสุขใครๆก็คิดว่าการได้ลาบยศจัลเสริญการได้เสพ ร, รูปเสียง ก, กลิ่นรสนี้เป็นความสุขกันเพราะแสวงหากันนั่นแล้วก็ได้ความสุขในตอนที่ได้มาใหม่ๆกัน แต่ไม่ได้ไปคิดต่อไปว่าเวลาที่มันมีการเสริมเวลาที่มันมีการเปลี่ยนไปหรือมันมีการดับไปนี้ความสุขที่ได้มันหายไปแล้วสิ่งที่ก็ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจอันนี้มักจะไม่ไม่ได้มองกันมองแต่ตอนที่ที่อยากจะได้ท่านบเกว่าได้มาแล้วจะมีความสุขมากได้เงินมาแล้วจะมีความสุขได้ยศได้ตาแหน่งแล้วจะมีความสุข ได้สรรเสริญยนยอก็จะมีความสุขได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูฟังไปดูไปฟังอะไรต่างๆก็มีความสุขแต่มองไม่เห็นว่าความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะเงินที่ได้มาถ้าใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดพอหมดความสุขที่ได้จากเงินที่ได้มามันก็กลายเป็นความทุกข์ไปยศตำแหน่งที่ได้มาวันหนึ่งก็ต้องมีการสิ้นสุดลงร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ไปตลอด พอร่างกายตายไปหรือแก่ไปเขาก็ปลดออกจากตําแหน่ง<ม>บุตรยศต่างๆ<ม>อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์กเพราะว่ามันไม่เที่ยง<ม>ทุกข์เพราะมันไม่อยู่ในภายใต้มันเราไม่สามารถเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดมันเป็นของชั่วคราวเราไม่สามารถสั่งให้มันเป็นของเหล่านี้อยู่กับเราเป็นของเราไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดได้ อันนี้ถ้าเห็นด้วยปัญญาเห็นเห็นตายรักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ความอยากได้ในสิ่งต่างๆก็จะหายไปเพราะไม่มีใครอยากจะได้ความทุกข์เพราะถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราได้มานี้แล้วไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็จะต้องทุกข์ให้กับความทุกข์เพราะมันต้องมีการเสือ่อมมีการหมดอย่างที่พระเจ้าทรงทร ง, ทรงตัดหรือพระอัญญาณโกนทัญยาทรงไปอุทานว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งเนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามเวลาได้มาก็เกิดขึ้นแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะจากเราไปอพอมันจากเราไปความทุกข์ก็จะตามมาทันทีออพอเห็นว่าความความความอยากได้ในสิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงจะนำมาสู่ความทุกข์มันก็เลยทำให้ไม่อยากได้อีกต่อไป อ, อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างยั่งยืนอย่างถาวร ต้องรู้ว่าหนึ่งรู้ว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้จะเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความกระเพิ่มให้กับจิตใจแล้วสิ่งที่อยากได้ก็เป็นสิ่งที่จะมาทําให้ใจทุกข์ด้วยเพราะสิ่งที่อยากได้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วเพาวได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้ามันก็จะหมดไปพอมันหมดไปใจก็จะเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันที งั้นปัญญานี้ต้องเห็นสองอย่าง <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจไม่นิ่งไม่ทําให้ใจกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆ <c oughs> สองสิ่งที่ใจอยากได้ก็จะไม่ได้ให้ความสุขกับใจอย่างอย่างยั่งยืนอย่างถาวรมันเป็นคามสุขแบบชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็จางหายไปหมดไปพอมันไปจางไปหายไปความทุกข์ ก, ก็จะกลับเข้ามาแทนที่ ต้องเห็นสองส่วนนี้เห็นว่าความอยากเป็นตัวที่สร้างให้ใจเราไม่สงบทําให้ใจเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาและการที่จะกําจัดความอยากอย่างอย่างทาวรต้องเห็นว่าสิ่งที่ใจอยากนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วเผ่าไม่ว่าจะเป็นความอยากในลาบยศสรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเรียกว่ากามาตฐานะมันก็เป็นของไม่เที่ยงนมัสิ่งที่เราอยากได้ด้วยกามาตัาหามันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นตายรัก สิ่งนี้เราอยากได้เช่นด้วยภาวะตัณหาก็ับตัวอยากได้รูปประจานรูปประจานก็ไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวเป็นความสงบแบบชั่วคราวอารูปประจานก็เหมือนกันเป็นความสงบแบบชั่วข่าวเป็นไตายรักษเหมือนกันจึงต้องเห็นทั้งหมดทั้งสามส่วนนี้เห็นว่ากามะคุณเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่ารูปประจานเป็นของไม่เที่ยงเห็นอารูปประจานว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นไตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความอยากทั้งสา ม, มันก็จะหยุดไปความอยากในกามมะขุนห้าก็จะหายไปความอยากในรูปฌานก็หายไปความอยากในอารูปฌานก็จะหมดไปความอยากต่างๆพอถูกกาจัดด้วยปัญญาแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ใจกระเพื่อมอีกต่อไปแล้วเข้าอยายเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานใจก็สงบเหมือนกับมีผลเท่ากันคือ ถึงแม้ว่าใจไม่เข้าฌานไม่เข้าสมาธิใจก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจเวลาเข้าฌานเข้าสมาธิใจก็ไม่วุ่นวายไม่เหมือนกับตอนที่ไม่ตอนที่ยังมีความอยากอยู่ถ้าเวลาไม่ได้เข้าฌานนี้ใจจะวุ่นวายใจจะใจจะไม่มีความสุขแต่พอใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานความความสงบก็จะเกิดขึ้นมาเพราะวาความอยากนั้นได้หยุดทางานชั่วคราวแต่ เวลาที่ได้กำจัดความอยากด้วยปัญญาแล้วนี่ใจก็จะสงบทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งอยู่ในฌานทั้งอยู่ในสมาธิหรืออยู่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไม่ต้องเข้าฌานใจก็สงบใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับอะไร อ, ะอันนี้แหละเป็นความสงบของพระนิพพานานิบานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานสงบเพราะว่า ตัวที่จะมาให้ใจไม่สงบนั้นได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาไปหมดสิน้นก็คือการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาในอริยสัจสี 4, ท่ท่งก็แสดงว่าใจทุกข์ทุกข์เพราะความอยากใจทุกข์ใจวุ่นวายเพราะความอยา ก, กาอยากในตามอยากในรูปประฌาน อ, อยา ก, ใ น, กาในรูปประฌานพอละความอยากในกามในรูปฌานในรูปประฌานได้นิโรธคือความสงบของจิตก็เกิดขึ้นมา ความทุกข์ก็หายไปนี่รู้ไปว่าความความหายของความทุกทุกที่มีในใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปและการที่จะทำให้รับความอยากได้ก็ต้องมีมีมรรคใน mm hmm. ก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาต้องมีกำลังของศีลมาช่วยสนับสนุนให้จิตเข้าสู่สมาธิแล้วต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาที่จะทาให้เห็นว่า ตัวที่มาทั้งความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจนั้นก็คือความอยากต่างๆนั่นเองและสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์เพราะเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีมรรคต้องเจริญมรรคกันต้องไปบวชเร่คำมะ ก, กันเพื่อที่จะได้เข้าสมาธิได้เมื่เข้าสมาธิได้แล้วจะได้เห็นด้วยปัญญาว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆความอยาก จะทาให้พอใจเกิดความอยากใจก็จะทุกข์ขึ้นมาในใจนทันทีและสิ่งที่ใจคิดว่าจะให้ความสุขก็จะเป็นให้ความทุกข์เหมือนกันเพราะว่ามันใช้ความสุขแบบชั่วคราวลาบยศสรรเสริญให้ความสุขแบบชั่วคราวพอมันจางหายไปมันก็ทำให้ใจทุกข์ใจเศร้าลูกประชานูปประชานก็เหมือนกันเวลาเข้าไปในฌานใจก็มีความสุขพอจากความูปประชานมาใจก็จะความสุขก็จะหายไป ความเศร้าก็เกิดตามมาได้อันนี้คือวิธีที่จะทำให้ใจสงบอย่างยั่งยืนอย่างท้าวลต้องมีปัญญาเห็นอริยสัจสีต้องมีสมาธิคอยสนับสนุนปัญญาต้องมีศีลคือเนกขมมะศีลแปดนี้คอยสนับสนุนการเจริญสัมมาการเจริญสมาธิ<ม>เอาเจ้าทรงตัดว่าเนี่ยสมาธิที่ศีลองบลมดีแล้วจะมี จะมีประโยชน์มากมีพลังมากปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนอบรมจากสมาธิก็จะมีอา น, นิสงส์มากมีคนมีประโยชน์มากเจตที่ได้รับการสนับสนุนด้วยปัญญาก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียว <Yeah. S 1> การปฏิบัติธรรมยังจาเป็นที่ยังเป็นที่จะต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นตอนแรกดูที่ว่าเราปฏิบัติเนคขมะได้ไหม ไปอยู่แบบนักบวชแบบชั่วกราวก่อนได้ไหมไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมอพอเป็นได้แล้วก็จะเพิ่มวันจากว่าอาทิตย์ละวันเป็นอาทิตย์ละสองวันอาทิตย์ละสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็คิดว่าไปอยู่แบบนักบวชแบบถาวรได้ก็ไปบวชเลย ไ, ไปเป็นบวชเป็นพระเป็นแม่ชีแล้วเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่ พอได้จเจริญสตินั่งสมาธิก็<ด>จะได้ฌานในระดับต่างๆพอใจมีฌาน ม, มีความสงบก็จะสามารถสอนให้ก็จะสามารถให้เห็นเห็นเห็นทางปัญญาได้เห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากต่างๆ<ม>และการจะระงับดับความอยากก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นเป็นทุกข์<ม>เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคาเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้พอเห็นตายรักษ ในสิ่งต่างๆความอยากได้ก็หมดไปอยากได้การมาสุขก็หมดไปอยากได้รูปประชานก็หมดไปอยากได้อารูปประชานก็หมดไปพอความอยากทั้งสามนี้หมดไปจากใจแล้ว<ๆ>ก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจไม่สงบอีกต่อไปไม่มีอะไรมาทำให้ใจวุ่นวายอีกต่อไปใจก็จะสงบอย่างถาวรอันนี้แหละเป็นความสงบขั้นระดับที่สูงก็คือความสุขสงบอย่างถาวรซึ่งไม่มีที่ไหนนอกจากในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ความสงบสุขแบบชั่วคราวจากสมาธินี้มีมีสั่งสอนกันไหนในหลายศาสนามาตั้งแต่ดึกดำบันแต่คำคำสอนที่จะทำให้ใจสงบอย่างถาวรคือพันิพพานนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการตัดทะลุของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการเผยแผ่ธรรมะอันนี้ให้แก่สา์โลกทนั้นถึงจะสามารถเข้าถึงความความสงบแบบยั่งยืนแบบถาวรได้นี่แหละก็คือเรื่องของความสุข ที่เหนือกวบความสุขทั้งปวงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูทนาให้พรยะถาวาเรวหาปุราปริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะตุ สัพเพปุลเณรตูสังกปาจันโทปนะราสุยธามณิโชติอราสุยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาครสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุยวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคุณถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่สุด เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่มีเวลาไม่ที่จะคุยด้วยงนั้นถ้าอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้เราฟังธรรมะนากุดจากทางเฟ e บุ o กพระอาจารย์สุชาติสามรอยสี่สิบเจ็ดท่าน YouTube YouTube y o u t u พระจารยสุชาติสามร้อยห้าสิบหกทูบด็อกเตอร์วีห้าสิบหนึ่งิทยาลน์สิบสี่คลับเฮาส์สองนักกุดร้อยหกสิบเก้ารวมทั้งหมดเก้าร้อยสามสิบเก้าท่านค่ะถามได้เลยคำถามจากพวกเราฟังนักกุดค่ะ เราจะบาลานซ์ความกระตันยูต่อแม่กับการรักษาจิตใจเราอย่างไรดีคะเพราะลูกๆที่ไปดูแลแม่จะโดนแม่กล่าวโทษว่าร้ายในเรื่องม่จริงให้เพื่อนแม่ฟัง แม่ไม่เคยพอใจในสิ่งลูกทำให้ที่ทราบ พ, พระเพื่อนแม่โทรมาถามว่าทากับแม่อย่างนั้นจริงหรือทั้งกักขังวางยาไม่ให้กินข้าวไม่ให้เงินใช้ไม่ให้ใส่เสื้อผ้าทุกใจมากค่ะเวลาอยู่ใกล้แม่แต่ถ้าไม่ดูแลก็จะไม่ได้ตอบแทนพระคุณแม่ค่ะก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของแม่ว่าเป็นอย่างนี้<ม>เขาชอบบน่นเขาชอบว่าจะ<ม>ไปอยากให้เขาแม่บน่นไม่ว่าไ ม, ไม่ได้หรอก เหมือนกับเขาเป็นส้มแล้วอยากจะให้เขาเป็นกล้วยนี่ก็ต้องยาอมรับว่าเขาเป็นส้มอยู่กับส้มไปถ้าเราเฉยๆซปล่อยให้ท่านผู้ใหญ่พูดอะไรก็พูดไปปากของท่านความจริงไม่จริงมันไม่ใช่เรื่องอยู่ที่ปากคนหรอกมันอยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราทําดีต่อให้ใครมาสาบให้แช่งว่าชั่วมันก็ไม่ชั่วหรอกถ้าเราชั่วต่อให้มาชมแล้วว่าเราดียังไงมันก็ไม่ดีหรอกนี่เราต้องเข้าใจความจริง เราดูตัวเราเองด้วยว่าเราเราเป็นยังไงเราดีหรือไม่ดีถ้าเขาตาหนิแล้วแล้วมันมันเป็นจริงก็ควรจะขอบใจเขาเราชี้คุมทรา์ให้กับเราว่าเราบกข้องเราต้องแก้ไขดัดแปลงอันนี้ต้องยอมรับแต่ถ้าเราดีแล้วเขาว่าเราไม่ดีเขาปล่อยเขาว่าไปแต่มันเปลี่ยนความดีในตัวเราด้วยการว่าของเขาไม่ได้หร อ, อ น, นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจ ว่าปากคนนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ เ, เขาอยากจะพูดอะไรเพราะว่าบางทีเขาก็อารมณ์ดีเขาก็พูดดีเวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีแต่สิ่งที่เราต้องคํานึงเสมอวก็คือพ่อคุณของแม่ของเราเเถ้าไม่มีแม่เราไม่มีเราเนาะลองคิดอย่างนี้ดูวิธีการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าต่อแม่แม่ตายไปแล้วต o n งหลายปีพระพุทธเจ้ายังตามไปค้นหาในสวรรค์เมื่อค้นพบก็ได้โปรดแสดงธรรม ให้ท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมา <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองที่ความบกพร่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นธรรมชาติของท่าน <Yeah. S 1> มองบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านว่าเราต้องตเราต้องทดแทนตอบแทนและการทดแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณนี้เป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ <Yeah. S 1> ยิ่งใหญ่กว่าการไปทําบุญกับพระอาหารอีกเพราะพ่อแม่ของเราก็เป็นพระอราันของลูกๆฉะนั้นขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้มีกําลังจิต <Yeah. S 1> กําลังใจ ต้งยกย่องท่านเทิดทูนท่า น, า น, านเหมือนเหมือนท่านเป็นพาาาระอรหันของเรา mm hmm. เวลาเราเข้าหาพระเราจะไปคอยสั่งให้พระบอกว่า mm hmm. พูดดีๆให้หนูฟังเนอะอย่าพูดไม่ดีให้หนูฟังเนอะมันไม่ได้หรอกพระท่านก็พูดไปตามความเป็นจริงดีเชื่อก็พูดไป mm hmm. เราก็เวลาเข้าหาพระหาผู้ใหญ่ก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ mm hmm. ผู้ใหญ่ก็จะพูดอย่างไรก็่ไปเขาพูดไป mm hmm. ถ้าจะมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นในตัวเราก็ได้ ถ้าถ้าเราถ้ามีความคิดแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะอยู่กับใครก็ได้ฟังเสียงใครเขาจะพูดใครเขาจะด่าดก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิของเขาเราไม่สามารถไปควบคุมเขาได้เขาเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้ากับฝนจะตกแดดจะออกอันี้เราไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เรปล่อยมันตกไปแดดจะออกก็ออกไปแล้วก็อยู่กับมันได้นี่ก็คือวิธีการปฏิบัติ ที่ถูกต้องกับกับผู้มีพระคุณของเราต้องอย่าลืมบุญคุณพยายามนึกถึงบุญคุณเสมอว่าเหตุที่เราต้องมาทดแทนท่านก็เพราะว่าท่านท่านมีบุญคุณกับเรามากและการได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นี่เป็นการทําบุญที่ดีที่สุดค่ะคำถามข้อที่สองค่ะถ้าปล่อยให้แม่ทําตามอําเภอใจรู้เสี่ยงกับอันตรายกับชีวิตแม่เองเราควรวางใจอย่างไรดีคะ ถ้าเราพูดดีๆห้ามท่านได้ก็ห้ามไปถ้าห้ามไม่ได้ท่านจะทำอะไรก็ต้องปล่อยไปแต่อย่าไปทะเลาะกันอย่าไปมีเรื่องมีราวกันอย่าไปโกรธไปเกลียดกันแล้วก็คอยดูแลช่วยเหลือท่านคิดว่าตอนนี้ท่านก็เป็นเหมือนเด็กเด็กทารกเราก็ต้องคอยช่วยเหลือดูแลแต่เราก็ไม่ไม่บังคับใจกันถ้าท่านอยากจะกินขนมกินอะไรแต่หมอสั่งห้ามไม่ให้กินก็อย่าไปอ้างหมอปล่อยให้ท่านกินให้พอเลอ ไอ้ท่านมีความสุขในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าอยู่ไปแต่ไม่มีความสุขไม่สามารถกินอะไรก็ไม่กินอะไรก็กินไม่ได้ดื่มอะไรก็ดื่มไม่ได้หมออ้าอ้างหมออย่างเดียวไม่ให้กินอย่ น, นี้ท่านก็ไม่อยากจะอยู่อยู่ไปแล้วมันทุกข์อยู่ไปทําไมอยู่ต้องให้อยู่อย่างมีความสุขเมื่อท่านอยากจะอยู่ไป น, นานๆแล้วท่านจะตายเวลาเวลาตายท่านก็ตายอย่างมีความสุข คำถามจากผู้เราฟังหนะ้ากูดค่ะข้อที่หนึ่งลูกดื้อไม่เชื่อฟังกราบขอคําแนะนําค่ะก็เหมือนกันนะแม่ดื้อกับลูกดื้อเป็นเรื่องเดียวกันอะไรคนเหมือนกันอม่ใช่หรือแม่แม่จะดื้ออย่างเดียวลูกก็ดื้อพวกเราก็ใคยดื้อกันมาก่อนทั้งนั้นมีใครไม่ดื้อบ้างเพราะทุกคนมีกิเลสมีความอยากความชอบที่ขัดกับหลักธรรมหลักความงามดีต่างๆพอถูกพ่อแม่สั่งสอนห้ามปรามก็ไม่ยอมฟังะ เกิเลสมันแรงก็มีหน้าที่สอนก็สอนไปนส่วนเขามีหน้าที่ปฏิบัติจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเขาไปเราบังคับเขาไม่ได้แต่เราอย่าบกพร่องในหน้าที่ของเราก็แล้วกันขอให้เราพูดบอกเตือนไปแต่ก็ไม่เตือนแบบซ้ำซากคือว่าพอพูดพอรู้ว่าเขารู้แล้วก็พอยิ่งไปพูดซ้ำซากมันยิ่งกลับทาให้เขาต่อต้าน ยิงห้ามยิงยุ้ อ, อยานะ mm hmm. ถ้ายายให้เขาหยุดต้องต้องส่งเสริมให้เขาทำอ๋อให้เต็มที่เลย mm hmm. ไอ้เมันเจ็บนิ้วเจ็บตัวไปเลยมันถึงได้จะได้หายอยาก mm hmm. ถ้ายิางไปห้ามมันยิ่งอยากจะทําใหญ่ให้ mm hmm. เรามีหน้าที่สอ น, นก็สอนไป mm hmm. พอก็รู้ว่าเขารู้แล้วก็พอไม่ต้องไปพูดซ้ําซาก mm hmm. าเขาเบื่ อ, อแล้วจะมาเกลียดชังกันโดยใช่เหตุคําถามข้อที่สองค่ะ เวลานั่งสมาธิเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นเวลาที่ควรเจริญปัญญาได้แล้วเจ้าคะควรสงบไปเรื่อยอย่างไรคะใช่เวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเลยเัีไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญาเวลาที่เรานั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อหยุดคิดการจะใช้ปัญญาต้องคิดนั้นไปไปหยุดคิดมันทะไรถ้าจะใช้ปัญญาเั้นต้องเวลาทำสมาธิต้องให้มันหยุดคิดนา น, น, านให้มันนิ่งนา น, านจิตจะได้มีพลัง แล้วเวลาเอาจากสมาธิมาแล้วพอมันเริ่มคิดแล้วดึงความคิดมาคิดทางปัญญาอย่าไปมันคิดไปทางกิเลสคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ การที่ชาวพุทธกราบพระพุทธรูปที่ทําจากอิฐหินดินปูนไม้หรือวัสดุอื่นๆเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้กราบวัสดุเหล่านั้นเพื่อขอลาบยศเพื่อร่ำรวยหรือเพื่อริเตดใดๆนั้นไม่น่าจะเสียหายอะไรใช่ไหมคะทําไมมีชาวพุทธด้วยกันเองมาห้ามไม่ให้ไหวพระพุทธรูปจนเป็นข้อถกเถียงในสังคมขึ้นมาได้คะก็เป็นความเห็นที่เกิดจากการมีปัญญาหรือไม่มีปัญญา มันก็เลยเกิดความคิดที่ต่างกันคนที่ไม่มีปัญญาคิดว่าฉลาดก็คิดว่าพระพุทธรูปเป็นเป็นแค่วัตถุไม่มีความหมายอะไรแต่คนที่ฉลาดก็จะรู้ว่าพระพุทธรูปนี้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าท่านจากพวกเราไปแล้วแต่เราอยากจะมีองค์ท่านยังอยู่กับเราอยู่เราก็เลยสร้างรูปเหมือนขึ้นมาแล้วก็เวลาเราเจอรูปเหมือนเราก็แสดงความเคารพให้กับพระพุทธรูป แต่เราไม่ได้กราบพระพุทธรูปเรากราบพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเพื่อที่เราจะได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจของเราไปเรื่อยๆ<ม>ถ้าเราไม่มีพระพุทธรูปกราบเราก็ไม่รู้จะไปไ ป, ไปเจริญพุทธานุสติเมื่อไหร่ธรรมานุสติเมื่อไหร่สังฆานุสติเมื่อไหร่ เพราะว่าใจเรายัางไม่มีกําลังที่จะเจริญพุทธานุสติโดยที่ไม่มีสิ่งภายนอกมามากระตุ้น<ม>แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยเราสามารถเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธรูปแต่ถ้าเรายังไม่อยู่ในขั้นนั้นคิดถึงคนที่เขายังไม่อยู่ในขั้นปฏิบัติคิดถึงคนที่เขายังต้องอาศัยรูปประธานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจเขาก็เลยสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาให้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เพียแต่ว่าต้องรู้ว่าเรากราบพระพุทธรูปเพื่ออะไรเพื่อความเจริญในในปัญญา<ม>พุทนเลกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพระธรรมคุณพระสังฆคุณไม่ใช่ใกราบเพื่อขอให้เราร่ารวยได้เจริญในลาบยศชนะสัญสุขถ้ากราบแบบนี้ก็แสดงว่าหลงงมงายไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะพระพุทธรูปไม่สามารถที่จะทําทให้เรารวยได้ความขยันนี่แหละจะทําให้เรารวยความประยนน ห, ะ ย, หร ย, ระยัดนี่จะทําทให้เรารวย ไม่ใช่ความฟุ่มเฟวอความเกียดค้านเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะอะไรเป็นอะไรส่วนใครก็จะพูดอะไรเราก็ฟังไว้ก็แล้วกันถ้ามันไม่เข้าหูก็เฉยๆไปอย่าไปมีเรื่องมีราวกันดีกว่าใครก็อยากจะคิดอะไรพูดอะไรก็พูดไปอีกคาถามค่ะ ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าบุญที่ได้จากการอนุโมทบาบุญนั้นเราจะได้บุญเหมือนกับเจ้าของบุญนั้นเลยหรือไหมคะมันเป็นบุญคนละอย่างเช่นเวลาเราทําบุญทําทานเราได้บุญจากการเสียสละรับสมบัติข้าของเงินทองเราจะไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองที่เรามีอยู่เพราะเราคิดว่าเวลาเสียไปเหมือนกับเราได้ทําบุญงั้นต่อไปเวลาเกิดเงินหายไปนี่เราจะไม่ไม่เศร้าโศกเสียใจ เหมือนกับคนที่ไม่เคยทําบุญไม่ได้ทําบุญเพราะคนที่ไม่ทําบุญนี่จะยึดติดกับเงินทองของตนพอเงินทองถูกขโมยไปนี่จะโกรธจะเสียใจแต่คนที่ทําบุญอยู่เรื่อยจะไม่ยึดไม่ติดกับเงินทองพอเงินทองหายไปก็จะรู้สึกก็คิดไปในทางที่ดีคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปนี่คืออา น, นิสงส์จากการทําทานส่วนการอนุโมทนา น, นี้ก็คือเป็นการแสดงความยินดีกับการทําบุญของผู้อื่น เห็นเขาทําบุญนะว่าเป็นสิ่งที่ดีก็อย่าไปอย่าไปพูดว่าทำไปทํำไมได้ทำแล้วได้อะไรมีแต่เสียเงินเสียทานสวรรค์มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนี้อันนี้เป็นการไปไปขัดขวางการทําบุญของเขาไปการทําให้เขารังเลสงสัยเราควรจะสนับสนุนสาธุยินดีไปสวรรค์นนะ้นชั้นนั้นชั้นนี้ก็เกิดจากการทําบุญทําทานเราก็จะได้ความสนับสนุนจากการเป็นกองเชียร์เท่านั้นเอง เวลาเราดูบอลเราเชียร์ทีมของเราชนะเราก็มีความสุขใจใช่ไหมแต่เราไม่ได้รางวัลจากจากการชนะของทีมของเราคนที่ได้การชนะก็คือคนเล่นบอนลคนเตะบอลอย่างนั้นมันเป็นผลที่ต่างกันคนลอย่างกันเราได้ความสุขจากการส่รงเสริมคนให้ให้คิดดีให้พูดดีทําดีเพราะคนดีจะไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครหรือกับทั่งตัวเราเอง ถามสภูรรับฟังหน้ากุดค่ะข้อที่หนึ่งถ้าความอยากเป็นความทุกข์แล้วความอยากปล่อยวางให้สําเร็จจะกลายเป็นความทุกข์หรือไม่ครับคือความทุกข์มันมีสองแบบความทุกข์ที่เป็นธรรมกับความทุกข์ที่เป็นกิเลสไอความอยากที่เป็นกิเลสกับความอยากที่เป็นธรรมความอยากที่เป็นกิเลสจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่แน่นอนได้เวลาไม่ได้ก็ทุกเวลาได้มาแล้วเสียไปก็ทุก แต่ความอยากที่ความอยากที่จะข่ากิเลสนี้เป็นความอยากทางธรรมเพราะว่าถ้าได้สำเร็จใจก็จะสงบมีความสุขนั้นความอยากปฏิบัติธรรมการอยากทำความดีนี้เป็นเป็นความอยากที่ดีไม่ถือว่าเป็นกิเลสสามารถอยากได้อยากไปนิพพานนี่ต้องเป็นสิ่งที่ดีใช่ว่าความอยากไม่ดีไปหมดความอยากไปนิพพานก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ต้องไปนิพพานเลยนั่นจะไปนิพพานได้ยังไงถ้าไม่มีความอยาก ทุกอย่างมันเกิดจากความอยาก bueno. เป็นแต่ขอให้มันเป็นความอยากที่ดีความอยากที่จะพาให้เราหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นความอยากที่ดีความอยากที่จะทาให้เราติดอยู่ในกองทุกข์นี่เป็นความอยากที่ไม่ดีเราต้องรู้ว่าความอยากแบบไหนดีความอยากแบบไหนไม่ดีถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังเทศฟังธรรมมันก็จะไม่รู้มันก็จะไม่แยกแยะอาคิดว่าความอยากไม่ดีเป็นหมด ข้อที่สองค่ะการนั่งสมาธิในช่วงแรกต้องใช้ความเพียรในการตั้งจิตอย่างไรครับ อ, อ่าช่างแรกนี้ต้องฝึกสติก่อนตอนที่จะมานั่งสมาธิถ้าไม่มีสติให้นั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันที่สงบได้ยังต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ต้องเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งแจะถ้าใช้พุทธานุสติตก็บริกรรมพุโทโธไปภายในใจ ไม่ว่าเรากําลังจะทําอะไรอาบน้ํานั่งหน้าแปลงฟันกินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยถ้าเราทําอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิเราก็จะพุโทโธต่อได้พุโทโธแล้วก็จะพอพุทใจอยู่กับพุโทโธไม่ไปคิดอะไรใจก็จะนิ่งสงบเข้าสมาธิได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกสติมาก่อนไม่มีพุโทโธเลยมาพุโทโธตอนที่เราเริ่มนั่งเนี่ยมันจะพุโทโธได้แค่สองสามคำนั่นแหะ แล้วก็หายไปแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปกี่ชั่วโมงกี่เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เหมือนกันไม่มีวันที่จะสงบได้เะงั้นการที่เราจะสงบในในการนั่งสมาธิได้เราต้องมีสติก่อนต้องเตรียมสติไว้มากให้มากๆ ก, ก่อนพยายามฝึกสติในช่วงที่เราไม่ต้องใช้ความคิดช่วงที่เราเตรียมตัวไปทํางานเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมา หาบน้ำลางหน้าแปลงควันแต่งเตล้อลประธานอาหารนั่งรถไปถ้าเราไม่ได้ขับรถเองก็นั่งรถไปก็พูดโทรพูดโทรไปอย่างนี้เราจะมีสติ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้คำถามจากทาง Yuu t ทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่ตายแล้วฟื้นแล้วบอกไปว่าไปบอก เราบอกว่าไปนรกมาบ้างไปสวรรค์มาบ้างหากคนคนนั้นไม่ได้ฟื้นขึ้นมาก็เท่ากับว่าเขาตายไปแล้วไปอบายคือตกนรกหรือตายไปแล้วไปสุขคติคือสวรรค์ใช่หรือเปล่าคะใช่ก็ตอนที่เรานอนหลับเราก็ไปอบายไปสวรรค์กันเนี่ยเวลานอนหลับฝันดีเราก็ไปสวรรค์เวลาฝันร้ายเราก็ไปอบายไปนรกกันเราเราไปอบายไปสวรรค์กันทุกคืน วันไหนเกินไหเราฝันดีเราก็ไปสวรรค์เกินไหนเราฝันร้ายล้วก็ไปอบายแต่ถ้าเราตายเรามันจะไม่ตื่นเนี่ยมันก็จะฝันยาวไปเลยฝันไปจนกว่าเราจะได้น่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่มันถึงจะตื่นขึ้นมาอีกทตอนที่คลอาเรามาจากท้องแม่ตอนนั้นเราตื่นจากความตายความตายอันเก่ามันทําให้เราอยู่ในโลกของความฝันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้น่างกายอันใหม่พอเราได้น่างกายใหม่นัก็เหมือนเราตื่นขึ้นมาใหม่ แต่เกิดกับร่างกายอันใหม่ร่างกายันเก่ามันหมดสภาพกันนะเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายก็ได้ความตายนี้ก็คือการไปเปลี่ยนร่างกายดีๆเองแต่จะได้ร่างกายดีแล้วไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทาไว้ถ้าเราทําบุญไว้ชาติหน้าเราก็กลับมาเกิดจะได้ร่างกายที่ที่ดีถ้าเราทําบาปชาติหน้าเรามาเกิดเราก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีเป็นร่างกายที่มีอัปลษณ์ไม่สวยงาม มีพิกทีิการอาการไม่ครบ32มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสัน้นอันนี้เป็นเรื่องของบาปที่เราทำไว้มันตกค้างอยู่ในใจเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราได้ร่างกายที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทาบุญเรากลับมาเกิดใหม่เราจะได้ร่างกายที่สวยงามสุขภาพแข็งแรงอาการ32บอครบมีธาังงานยที่สมบูรณ์แข็งแรง อ, อายุยืนยาวนานเป็นต้นแล้วมั่งมีสีสุขมีทรัพย์สมบัติเ ง, งินทองพออยู่พอกินไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนอันนี้เป็นอ น, นิสงส์จากการที่เราได้ทดําบุญเพราะฉะนั้นการตายนี้ขอให้เรามองว่าเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายเหมือนกับเวลาทำไม่นี้เราไปเปลี่ยนหัวใจกันได้ะเวลาเปลี่ยนหัวใจหมอต้องฉีดยาสลบก่อนให้เราหลับไปก่อนก็เหมือนเราตายไปก่อนชั่วคราวแล้วเขาก็เอาหัวใจอันนั้นมาใส่ให้ พอทำเสร็จเขาก็ปลุกเราขึ้นมาเตือนขึ้นมาเราก็ได้หัวใจอันใหม่แต่นี่การตายนี่ได้เปลี่ยนทั้งร่างกายเลยดีกว่าเปลี่ยนทั้งสามสบสองอาการเลยงั้นอย่าไปกลัวความตายความตายมันไม่น่ากลัวการอยู่นี่น่ากลัวกว่าสัางเกตดูคนตายคนเป็นใครจะสบายกว่ากันคนเป็นนี่ยังต้องหากินหาอยู่ใช่ไหมคนตายนี่เขาไม่ต้องหากินหาอยู่เขาสบายเขาอยู่ในโลกของความฝันนะฝันดีฝันร้ายเท่านั้นเอง เห็นถ้าอยากจะฝันดีก็พยายามทําบุญไม่เม่ว่าอย่าทําบาปแล้วเวลาที่เราตายไปเราก็จะได้ฝันดีเวลาฝันก็ไม่ต้องไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาหากินหาอยู่ไม่ต้องไปหาหมอหายาใช่ไหมแต่ถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ต้องหากินหาอยู่หาหาอยู่หายาไปจนวันตายานั่นแหละเห็นถ้ามองด้วยปัญญาจริงๆนะความตายมันสบายกว่าความเป็นความเป็นนี้ต้องดิ้นเรยนต่อสู้ ทางตายนี้ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องไม่ต้องต่อสู้เพื่อร่างกายต่อไปนะเพราะไม่มีร่างกายที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ กานเป็นผู้มีใจตั้งมั่นในพระราตนาไตรแต่ในบางครั้งเห็นข่าวสารเกี่ยวกับพระสงฆ์ในทางที่ไม่ดีก็มีเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแบบนี้เรียกว่าเราไม่มั่นคงไม่ตั้งใจมั่นในพระรัตนาไตรหรือเปล่าคะคือศรัทธาความเชื่อมีสองระดับระดับที่ไม่มั่นคงกับระดับที่มั่นคงระดับที่ไม่มั่นคงก็คือระดับที่เราศึกษามาเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ปฏิบัติซึ่งมันยัง ทำให้ใจเราโลเลได้แต่ถ้าเราได้ปฏิบัติได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วมาเราจะมีความมั่นใจเราจะไม่โลเลเราจะไม่หวั่นไหวเวลาที่ใครมาทำอะไรเราสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นศาสนาอะไรไม่เป็นศาสนาคนที่มาอยู่ในศาสนามาทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เป็นส่วนของศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาไม่ได้เสื่อมไปกับการมาพุทธที่ไม่ดีของคนที่มาที่มาศรัทธานับถือในศาสนา ศาสนาก็ยังเป็นศาสนาที่ที่ที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์เพราะเราได้เห็นคุณประโยชน์จากการปฏิบัติแล้วว่าปฏิบัติตามพุทเจ้าแล้วใจเราสงบใจเรามีความสุขคนอื่นจะไม่ปฏิบัติคนอื่นจะไม่ทำคนอื่นเขาจะทำอะไรให้ศาสนาเสียหายมันก็เป็นเป็นกรรมของเขาไปมไม่ได้เกี่ยวกับไม่สามารถมาทาลายศาสนาได้ศาสนาเป็นสิ่งที่ทาลายไม่ได้เพราะมันเป็นคาสอนเป็นความจริง ทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อเนี่ยมันมีความจริงแต่ให้ใครจะมาพูดอย่างไรทำอย่างไรมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ตัวโยมชอบหาอุบายพาแม่ไปวัดไปทำบุญหรือทำทานในแบบต่างๆที่จะทำได้แต่ไม่ได้โกหกแม่นะคะแต่ออกอุบายชวนหรือทำให้ดูเพราะอยากให้แม่ทำบุญมากๆด้วยตัวของแม่เองแบบนี้ตัวโยมบาปไหมคะไม่บาปหรอกเป็นกุศลเ ป, เป็นการพาผู้ผู้มีพระคุณไปสู่สวรรค์คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ผมเคยเห็นพระพิสุเดินในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งจึงเรียนกับพระท่านว่าที่นี่เป็นที่อโคลจรครับการที่ผมบอกกับท่านอย่างนี้ผมจะบาปไหมครับคือมันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันควรไม่ควรท่านเองเราอยู่ในฐานะที่จะไปตักเตือนท่านหรือไม่ถ้าไม่อยู่ในฐานะไปพูดมันก็อาจจะเกิดการความรู้สึกที่ไม่ดีกับท่านก็ได้ ท่านอาจจะไม่รู้ว่าท่านท่านไม่ควรไปเพราะท่านอาจจะเป็นพระบวชใหม่พระที่บวชเข้าพรรษานี้บางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปก็เห็นว่าเคยไปก็ไม่นีไม่ไมีไปผิดกฎหมายอะไรก็เลยคิดว่าไปได้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ถ้าคุยกับท่านได้ก็ลองคุยกับท่านดู <c oughs> ถามท่านว่าท่านท่านรู้ไหมว่าที่อย่างนี้มีพระไม่พระเขาไม่มาเดินกันอะไร แต่ถ้าคุยไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับท่านดีวกว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันเป็นเว เ, เป็นกรรมกันรันวๆค <c oughs> ำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะกราบท่านพระอาจารย์ผู้เมตตาเป็นช่วงที่ลูกขาดการนั่งสมาธิพะ ขาดการนั่งสภาวนาลูกเกิดความกลัวขึ้นมากลัวว่าจะต้องมาเริ่มใหม่เพราะเกิดความอยากให้คงอยู่อยากสงบสุขไปเรื่อยกังวลที่ไม่ได้นั่งภาวนาอยากเมื่อไหร่ทุกเรื่อยไปจริงๆตามที่พระอาจารย์ได้ให้ทาในวัน ในวันนี้คือเราต้องมองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเข้าใจเพียงเสี้ยววินาทีรู้อยู่แต่ก็ยังกลับมาที่เสียดายอีกกังวลอีกรู้ ก, ก็ดูวอนอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะหรือมีทางแยกอื่นให้ลูกได้ตอนจบไหมเจ้าคะให้จิตเข้าใจไม่วนสอนจิตอีกกับพระอาจารย์เจ้าคะก็ เ, เราต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตเรายังอาจจะ ไม่สะดวกที่จะได้ปฏิบัติตลอดเวลาบางเวลาก็มีเวลาบางเวลาก็ไม่มีเวลาเราก็ทำไปเท่าที่เราทำได้อย่าไปอยากทำในส่วนที่เรายังทำไม่ได้แล้วอย่าไปกลัวว่ามันเสือเส่อมเสื่อมเมื่อเราเคยทำให้มันเกิดขึ้นได้เราก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่ความไปไปมีอารมณ์ไปกังวลไปวิตกมันไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจใดอย่างใดทังที่ดีก็พยายามพยายามทาให สมมติวันนี้เราไม่ได้ทำวันพุนี้เราได้ทำเราก็ทาชดเชยวันที่เราไม่ได้ทำด้วยก็ได้ mm hmm. มันก็จะทำให้ควารเสือ่อมมันดน้อยลงไป mm hmm. มันพยายามทำถ้าที่เราทำได้ช่วงที่เราทำไม่ได้ก็ต้องทำใจไว้ก่อนว่าช่วงนี้มันเป็นวาระของวิบากกรรมที่มันมาขัดขวางการกระทาของเรา mm hmm. เราก็ต้องยอมรับไปก่อน mm hmm. เอาคําทําสุดท้ายนะวันนี้ไม่ได้หมดลนวะ คำถามสักคุณใบบุญค่ะความอยากไปกราบพระอาจารย์สุชาติถือเป็นกิเลสไหมคะอยู่หาดใหญ่ยังไปไม่ได้เพราะยังต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอัมพึกแต่ปัจจุบันมีความสุขกับการได้ปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอาจารย์ค่ะคือการกราบนี่มันก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่งซึ่งมันได้ผลน้อยกว่าการบูชาอย่างหนึ่งการบูชาอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติบูบชา ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกราบคนที่เราอยากจะกราบเราเพียงแต่เอาคำสอนของท่านไปปฏิบัติก็เท่ากับเราได้ได้กราบท่านด้วยการ ป, ปฏบิบัติบูชาซึ่งเป็นนั้นได้อ น, นิสงส์ประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากาบไม่ให้เสียเวลาเอาคำสอนที่ได้ยินได้ฟังไปไปปฏิบัติให้ได้อันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าแต้ว น, นักรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา